รัตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่11อพระสูตรที่ส1ทอาสุดแต่ระสูตรสูตรว่าด้วยหมวดธรรมะอันยิ่งขึ้นไปจนถึงสิบพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประทับหน้าฝั่งสระน้ำชื่อคคราใกล้กรุงจำปาราชธานีแห่งแคว้นอังคะพระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายทานองเดียวกับสังคีติสูตร ซึ่งในที่นี้จะนำมากล่าวตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดส0บพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้หมวดหนึ่งธรรมะอย่างหนึ่งมีอุปการะมากคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมหมวดสองธรรมะสองอย่างมีอุปการะมากคือ 1. สติความระลึกได้ 2. สัมปัดชัญญะความรู้ตัวหมวดสาม ธรรมะสามอย่างมีอุปการะมากคือ 1. คบสัตว์บุรุษคือคนดี 2. ฟังธรรมของท่าน 3. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมวด4ธรรมะสี่อย่างมีอุปการะมากคือจากสี่อันได้แก่ 1. อยู่ในประเทศหรือที่อยู่อันสมควร 2. คบหรือเข้าใกล้สัตบุรุษ 3. ตั้งตนไว้ชอบ 4. ความเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้ในการก่อนหมวดหธรรมะห้าอย่างมีอุปการะมากคือองค์ห้าที่ควรตั้งไว้เป็นประธานอันได้แก่ 1. มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีโรคน้อย 3. ไม่อ้อวดไม่มีมายา 4. ลงมือทำความเพียร 5. มีปัญญาเห็นความเกิดความดับหมวด 6. ธรรมะหกอย่างมีอุปการะมากคือสารานิยธรรมทำอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำกันและการให้ระลึกถึงอันได้แก่หนึ่ง กายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 2. ตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 3. ตั้งมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 4. แบ่งปันลาภ 5. มีศีลอันดีเสมอกัน 6. มีทิฏฐิหรือความเห็นอันดีเสมอกันหมวด7ธรรมะเจ็ดอย่าง มีอุปการะมากคืออริยะทราพเจ็อย่างซึ่งกล่าวไว้แล้วในสังกิติสูตรธรรมะเจ็ดอย่างควรเจริญคือโพชฌงองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เจ็ดอันได้แก่ 1. สติ 2. ธรรมะวิจยะคือเลือกเป็นธรรมะ 3. วิริยะความเพียร 4. ปิติความอิ่มใจห ปัสัติความสงบความอิ่มใจหกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางเฉยอย่างมีสติกำกับหมวด8ธรรมะ8ดอย่างมีอุปการะมากคือเหตุ8ปัจจัย8อันเป็นไปเพื่อได้ปัญญาซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้ ทำปัญญาที่ได้แล้วให้เจริญบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอันได้แก่ 1. ตั้งความละอายใจความเกรงกลัวความรักความเคารพในศาสดาและเพื่อนพรมาจารี 2. เข้าไปหาไต่ถามเป็นครั้งคราว 3. ฟังทำแล้วก็ทำความสงบกายสงบใจให้ถึงพร้อมทั้งสองอย่าง 4. สำรวมในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรคือรู้จักที่ควรไปไม่ควรไป 5. สดับตรับฟังมาก 6. ลงมือทำความเพียร 7. มีสติ 8. เห็นความเกิดความดับในขันหมวด9 ธรรมะเก้าอย่างมีอุปการะมากคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ที่ควรตั้งไว้เป็นประธานหรือปาริสุทธิประธานิี้ยังคะอันได้แก่ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นสี่ กังขาวิตรณะวิสุทธิความหมวดจดแห่งยานเป็นเหตุข้ามความสงสัยเสียได้ 5. มัคคามัคคาณทัทสนวิสุทธิความหมวดจดแห่งการเห็นด้วยยานซึ่งทางและไม่ใช่ทาง 6. ปฏิปทายานัทสนวิสุทธิความหมวดจดแห่งการเห็นด้วยยานซึ่งข้อปฏิบัติเจ็ ญาทณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งการเห็นด้วยญาณ 8. ปัญญาวิสุทธิความหมดจดแห่งปัญญา 9. วิมุตติวิสุทธิความหมดจดแห่งความหลุดพ้นหมวดสิบธรรมะสิบอย่างมีอุปการะมากคือธรรมะที่ทรรมที่พึ่งหรือนาถกรณธรรมสิบ ซึ่งกล่าวไว้แล้วในสังคีติสูตรเมื่อแสดงธรรมจบภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมพาสิทธิ์ของพระสาวรีบุตรหมายเหตุข้อธรรมะในท่าสุตรสูตรนี้ตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสิบยืนตัวอยู่สิบหัวข้อคือหนึ่งธรรมะมีอุปการะมาก 2. ธรรมะที่ควรเจริญ 3. ธรรมะที่ควรกำหนดรู้สธรรมะที่ควรละ 5. ธรรมะที่มีส่วนแห่งความเสื่อม 6. ธรรมะที่มีส่วนแห่งความเจริญ 7. ธรรมะที่เข้าใจได้ยาก 8. ธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้น 9. ธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งแล้วแจกรายละเอียดออกไปตามหมวดว่าหมวดหนึ่งได้แก่อะไรหมวดสองได้แก่อะไรจนถึงหมวดสิบได้แก่อะไรในที่นี้แสดงพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น